สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บาท น, นะครับในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันสบายๆวันพระเะของพระเจ้าในวันนี้คือชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบสามนะครับสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสสิทธิอนานาจแห่งพระดารัสโปรดฟังพระญาของพระเจ้าลูกาบทที่เจ็ดข้อหนึ่งถึงข้อสิบ ในมัทธิวบทที่แปดข้อห้าถึงสิบสามนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังในมัทธิวบทที่แปดข้อห้าถึงสิบสามครับโปรดฟังเพราชนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าพรงเจ้าข้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกเวทนามากพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองเจ้าข้า ข้าพงเป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพงษ์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าของข้าพงก็จะหายโรคข้าพรง์รู้ดีเพราะเหตุว่าข้าพงอยู่ใต้วิเนิรทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพงข้าพงจะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพง์ว่าจงทาสิ่ง น, นี้เขาก็ทา ครั้นพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระไถ่หนักกัดกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศัสดาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นมากจะมาจากทิศตวันออกเอทิศตะวันตกจะมาร่วมสำรับกับอับราฮัมอิสตักรียโคบในแผ่นดินส่วนแต่ชาวแผ่นดินนั้นจะต้องถูกขับไลไส่สส่งออกไปในที่มืด ที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้กบเพี้ยวเคี้ยวฟันแล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่าจงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในคันใดนั้นเองบ่าวของเขาก็หายเป็นปกติทนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาที่แท้จริงนั้นผมจะขออทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําถามเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้นะครับในมัทธิวบทที่แปดและลูกาบทที่เจ็ดเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การรักษาเบาของนายร้อยหรือสิทีิอานาจแห่งพระดำรัสของพระเจ้าของพระเยซูนะครับปัญหาก็คือว่าในพระธรรมมัทธิวนั้นมัทธิวนั้นได้บรรยายว่านายร้อยมาอ้อนวอนพระเยซูแต่ในลูกาบรรยายไม่เหมือนกันครับลูกาบรรยายว่านายร้อยนั้นได้ใช้พวกผู้ใหญ่ของคนยิวมาอ้อนวอนพระเยซูนะครับไม่เหมือนกันต่างกัน นะครับมทัทสีบอกว่านายร้อยมาเองในขณะที่ลูกาบอกว่านายร้อยใช้ผู้ใหญ่หรือพูดง่ายว่าใช้คนอื่นมาอ้อนวอนพระเยสุตกลงใครมาอ้อนวอนพระเยสูกันแน่นะครับนี่คือคำถามของผู้คนที่เรียนพระคัมภีร์และช่างสังเกตนะครับคำตอบก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนายร้อยมาเองหรือนายร้อยจะให้ผู้ใหญ่หรือใช้ใครมาก็ตาม การมาหาพระเยซูนั้นเป็นการมาหาโดยอยู่ภายใต้ชื่อของนายร้อยครับพูดง่ายๆก็คือว่าผู้ใหญ่ของพวกยิวที่ไปอ้อนวอนพระเยซูเขาก็ต้องอ้อนวอนพระเยซูโดยใช้ชื่อของนายร้อยเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นความต้องการของนายร้อยเองนายร้อยก็จะมาเองหรือใช้คนอื่นมาก็เท่ากับ เขามาเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเออคําอธิบายที่ถูกต้องยังไงก็ตามครับเราจะมาดูถึงเนื้อหาที่สําคัญในวันนี้ว่าทําไมนายร้อยถึงได้รับการรักษาอันนี้หมายถึงธาตุของนายร้อยถึงไ ด, ได้ได้รับการรักษานะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูเสดลงมาจากภูเขาเข้าไปในคาเมรุนเ ม, มืองซึ่งพระองค์จะมาประทับอยู่ และลูกาได้บอกให้เราเห็นว่าทาสคนนี้เนี่ยนะครับเป็นทาสที่รักของนายและทาสคนนี้ก็ป่วยหนักใกล้จะตายในร้อยถ้าเราดูในทหารของโรมันนะครับเราจะรู้ว่าเขาจะต้องดูแลทหารหนึ่งร้อยคนครับแต่ว่าเขามีนายอยู่เหนือเขาก็คือนายพันนายพันนั้นจะต้องดูแลทหารหกร้อยออกกโทดหกพันคนครับ แบ่งเป็นหกสิบกองร้อยนะครับในร้อยดูแลทหารหนึ่งร้อยคนเรียกว่าหนึ่งกองร้อยในร้อยนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถเพียรพร้อมและปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับและในขณะเดียวกันในร้อยในเรื่องนี้เป็นคนพิเศษครับเขาพิเศษยังไงครับมีห้าประการที่พูดถึงความพิเศษของเขานะครับสิ่งดีห้าประการของนายร้อยคนนี้นะครับก็คือนายร้อยคนนี้นั้นเขาเป็นคนดีครับเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วนะครับ ทาดนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยสำหรับนายนะครับเพราะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับคนยิวนะครับหรือแม้กระทั่งคนกรีกหรือคนโรมก็ตามเขาจะไม่ให้ความสำคัญนะครับของทาดหรือสัตว์ต่างๆที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นมา้าเป็นวัวนะครับหรือเป็นทาตถูกจัดไว้อยู่ในลำดับเดียวกันหมดครับก็คือ เป็นสิ่งของครับไม่มีชีวิตจิตใจไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นคนของเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในร้อยคนนี้ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับในร้อยคนนี้เป็นบุคคลที่สมควรที่พระเยซู wow จะช่วยเขาเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่ดีเขาเห็นคุณค่าของความเป็นคนครับประการที่สองครับในร้อยคนนี้นั้นเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้านะครับรักคนยิวครับทําไมเกรงกลัวพระเจ้ารักคนยิวครับ เพเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นคนที่สร้างธรรมสาราให้กับคนยิวนะครับคนคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวครับเขาเป็นคนที่ถูกส่งมาปกครองคนยิวเป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รู้จักคนยิวดีรักคนยิวและเกรงกลัวพระเจ้านะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เหล่านี้ทูนพระเยซูว่านายร้อยเป็นผู้ที่สมควรที่พระเยซูจะ กระทำการนั้นให้กับท่านเพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านเองได้สร้างธรรมศาลตร์ให้เรานี่คือประการที่สองซึ่งเป็นสิ่งดีนะครับของในร้อยคนนี้สิ่งดีประการที่สามก็คือว่าเขามีความถ่อมใจครับเขามีความถ่อมใจในข้อที่หกนะครับเขาพูดกับพระเบยซูยอย่างนี้นะครับบอกว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์แปลว่าอะไรครับ แปลว่าพวกในร้อยคนนี้เขารู้จักตัวเองครับว่าเขาเป็นใครตัวเองนั้นเป็นคนที่ไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าในชายคาในบ้านของเขานะครับนี่เป็นสิ่งดีประการที่สามนะครับที่ทําให้พระเยซูนั้นได้เห็นความดีของเขาและในที้สุดพรงก็แสดงการอัศจรรย์แสดงฤทธิ์เดชของพระองค์ประการที่สี่ครับในร้อยคนนี้ มีความเชื่อความศรัทธาสูงมากครับเพราะเหตุที่พระเยซูได้ทรงชมเขาว่าครับเราไม่เคยเห็นคนที่มีความศรัทธาเท่านี้แม้แต่ในอิสราเอลเรารู้นะครับว่าในร้อยคนนี้นั้นเป็นคนต่างชาติครับไม่ใช่เป็นคนยิวแต่กลับมีความเชื่อมากกว่าคนยิวอีกนะครับ มีความเชื่อมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ศาสนาหรืออยู่ในศาสนายูก็คือพวกฟาริสีพวกธรรมจาร์นะครับประการสุดท้ายครับสิ่งดีประการสุดท้ายของในร้อยคนนี้ก็คือว่าเขารู้จักพระเยซูดีครับเขารู้ว่าพระเยซูนั้นไม่ต้องไปก็ได้เพียงแต่สั่งครับและเขาก็บอกว่าเขาเองนั้นก็เป็นนายทหารเขามีผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อสั่งให้ไปเขาก็ไปสั่งให้มาเขาก็มา นะครับผู้ใต้บังคับวิชาเหล่านั้นเช่นเดียวกันครับเขารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับแน่นอนพระเยซูต้องเป็นคนที่มีฤทธิ์อํานาจแน่นอนนะครับและไม่เพียงแต่นั้นเท่านั้นเองพระเยซูมีสิทธิที่อํานาจในการสั่งด้วยเขาพูดถ้อยคําที่ประทับใจพระเยซูครับเขาพูดว่าขอพระองค์ตรัสเท่านั้นความบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโลกความเชื่อเขานั้นยิ่งใหญ่มากครับ และการที่เข้ารู้จักพระเยซูยิ่งใหญ่มากและสิ่งนี้เองสร้างความประทับใจให้กับพระเยซูถามว่าพระเยซูนั้นต้องการอะไรจากพวกเรานะครับคําตอบก็คือว่าต้องการให้เรามีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ครับแต่พระอ ง, งค์ทรงทราบครับว่าหากว่าเรามีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์นะครับฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์นะครับที่ได้มอบให้กับพระเยซูก็จะมาถึงพวกเรา ในการที่จะทำให้น้าพระทัยของพระองค์สำเร็จครับเราจะเห็นว่าสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูในวันนี้ก็คือพระองค์เพียงแจกตรัสเท่านั้นบาวของนายร้อยคนนี้ก็หายโรคครับพี่น้องครับความดีห้าประการของนายร้อยทำให้เขาได้รับการรักษาได้รับความเมตตาได้รับพระคุณจากพระเยซูนะครับ จริงๆแล้วไม่ใช่ความดีของเขาทำให้บาบของเขาหายครับแต่ความดีนี้เป็นความดีที่ประทับใจพระเยซูมากและเมื่อพระเยซูประทับใจเขานะครับพระเยซูก็ทรงเมตตาเขาพระเยซูก็ทรงมีพระคุณต่อเขาและในที่สุดบาวของเขาก็หายโรคพี่น้องครับค่อยคาเหล่านี้ในวันนี้นั้นผมหวังว่าจะเป็นที่ นุนจิตชูใจและให้กำัเใจพี่น้องที่จะมีชีวิตเหมือนกับในร้อยผู้นี้นะครับขอพระเจ้าวพอวยพอรทุกท่านอาเมน